ความทำเงาะแท้หน่อยเค่หนาวเราต้องห่มกีบอนเพื่อบำบัดความหนาวทางด้านร่างกายผิงหายงตากแดดแต่เรื่องจิตใจ อาศัยธรรมะให้ติดธรรมะมีที่อาศัยยิ่มีที่พึ่งต่างกายต้องพึ่งอย่างอื่นเก็บไข้ได้ป่วยต้องพึ่งหม้อพึ่งหยกพึ่งยา่าพึ่งเครื่องไม้เครื่องมือแต่สภาพจิตใจพึ่งใครไม่ได้พึ่งธรรมอย่างเดียว หัดว้ฝึกไว้การฝึกใจฝึกหัดใจให้มีทมเป็นที่พึ่งต้องฝึกเอาไม่อาศัยใครขอใครไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าแสงแดดแสงไฟมีวัตถุที่หนึ่งที่สองทำขึ้นมาได้แต่สภาพจิตใจไม่มีอยู่กับตัวเราเอง ถ้าไม่หัดก็เป็นไปไม่ได้เราท่องหนังสือสวดบนถ้าหัดใหม่ก็ต้องดูตำราถ้าเหมือนติดไม่ต้องดูมันก็ติดปากท้องจำได้เป็นเล่มๆถ้าหัด ทีแรกก็ยากตัวต้องลำลี่ลำลายต้องหลับดับลำนาอยู่เสมอท้องบนอยู่เสมอจนมันติดเราเรียนหรังสือตามสูตรตามศาสตร์ต่างๆก็ต้องท่องจําต้องดูต้องเห็นลงรูตามเป็นก่ <c oughs> านออกเขียนได้ ทาง จ, จิตใจก็หัดมันเป็นเหมือนกันก จ, จิตใจเมื่อเหมือนเป็นแล้วมันลืมไม่เป็นเหมือนกับวัตถุสิ่งของการหัดใหม่ๆโดยเฉพาะกรรมฐานนี่แล้วก็มีหลักสูตรหัดมีจิตไปในกายอยู่เป็นประจำให้มันติด แต่แรกก็หัดว่ากู้แขนเข้าอยื่อแขนออกให้มันรู้บางทีมันก็ไม่รู้เมื่อเวลาใดมันไม่รู้ก็หัดให้มันรู้ว่ามไม่รู้ก็เป็นเรื่องยากความหลงเป็นเรื่องยากเป็นปัญหาต่อความรู้ตรงเปลี่ยนต้องต้องสร้างต้องมีความเพียนเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ให้มันจำได้ อาใจวยถ้าว่าทำไม่เป็นไม่ใช่เจอมไม่มีหนังสือไม่มีวัตถุที่จะต่องจําเป็นสัมผัสกับลดของทมของิสิ่งที่ผิดที่ถูกทำใหม่ๆหลงเป็นหลงสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ ยากควบควมผิดยากควบความทุกหยอกใ่เหมือนถูกยากควบความฟุ่งซ่านจาอให้เหมันสงบแือว่าเป็นเรื่องยากทำใหม่ๆเป็นเรื่องยากหลงที่ใดก็อาจจะไม่พอใจแต่ลูกอาจจะพอใจสงบก็อาจจะพอใ จ, าอา จ, จ, อใจฟุ้งซาานจะไม่พอใจค่ําเครียดได้เพราะหล่ผุดหัด แต่ถ้าหัดไปหัดไปมันก็เกิดก่อนเห็นเกิดก่อนเห็นเรื่องยากไม่มีเรื่องง่ายไม่มีเรื่องผิดไม่มีเรื่องถูกไม่มีมีแต่ภาวะที่เห็นณเวลาเป็นภาวะที่เห็นแล้วก็ไม่เป็นง่ายง่ายเห็นเหมือนผิดไม่ได้เป็นผู้ผิดเห็นเหมือนหลงไม่เป็นผู้หลง เห็นมันหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนไปเรื่อยๆทะลุทะลวงไปเรื่อยๆอายเป็นเรื่องง่ายหวานคนทางานทำอะไรเป็นก็ง่ายไปเลยถ้าดวกไปเลยไปโจรเข้าใ่เรื่องที่มันคนอื่นทําไปได้นแสดงฝีมืออุติธรรมเป็น เราเรียนมาเขาฝึกหัดมาเราไม่เคยฝึกหัดก็ทำไม่เป็นการฝึงหัดชีดวิตของเราก็เหมือนกันได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผิดมันเลยมีสิ่งที่ถูกมันมีอยู่ในตัวมาพร้อมกันเราจเจริญจิตเราสร้างจติันแรก ก็าฝึกไม่อยากให้มันหลงแล้วก็สิ่งที่ทำให้หลงเพราะอยากจะหลบหลีกไปหลีกเว้นไปโกดไปเคืองสิ่งอื่นก็มีแม้จะเสียงลดก็ยังลบควนผู้คนก็ลบควนอะไรต่างๆก็ลบควณ <c oughs> ทางเดินจงกรมก็ต้องทำขวาไว้ก็มีบางที่ปอกําแพงคอนกรีตอิดบ็อกก็มีเพื่อไม่ให้เห็นกันอื่นเพื่ออะไรเพื่อเกิดความรู้ขนาดนั้นก็มีแต่ถ้าเราหัดไปแล้วเปิดตัวเลย อะไรจะเกิดขึ้นกบรู้ได้ทั้งนั้นไม่ต้องมีฝามีอะไรปิดบังรู้ได้นม่แต่เสียงไม่เตะอะไรก็ตามที่จะทำให้หลงกลายเป็นเรื่องศาสตร์เรื่องศีลาปหลงที่ไหนรู้ที่นั่นทุกที่ไหนไปทุกที่นั่นต้องก่อนข้าม อาหัดเป็นแล้วมันก็เป็นเรื่องสะดวกในความทุกข์ก็กลายเป็นความรู้ในความผิดก็กลายเป็นความถูกตรงเงินข้ามปฏิบัติธรรมมันบอกอยู่เสมอไม่จนเหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นต้องหาวัตถุเช่นหนาว ต้องมีผ้าโอมหิวต้อตงกินข้าวแต่เรื่องของใจไม่เบื่อถูกอื่นเลยเป็นการฝึกหัดที่มันทำได้ทุกรณีไม่น่าจะจนในความโกรธนั้นก็มีความไม่โกรธในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความหลงก็มีความไม่หลงอยู่ด้วยการมาพร้อมกันเหมอดหลังมือหน้ามือ <c oughs> อ น, นี่พระสิท ธ, ธาได้มองอย่างนี้เป็นเกณฑ์ขี้วัดตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าว่าชายไปจนอายุ 16, สิบหกพรรษาเห็นคนเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดเห็นเจอก็ต้องมีความไม่เจอเห็นเจ็บต้องมีไม่เจ็บเห็นตายต้องมีไม่ตายแน่นอนดูโลกเป็นเป็นคู่อย่างนี้ ถ้าเรามามองจากนี้บ้างอาจจะเป็นพลังพลังงานในด้านปฏิบัติธรรมอาจจะง่ายกว่าคนที่ไม่มองแบบนี้เอาผิดเอาถูกจนโตความผิดจนโตความทุกขนโตความโผโลบหลงจนโตความเก็บความแก่ความตายมองแบบนี้มันก็ จ, จะยิ่งใหญ่เป็นพละเป็นกำลังอีกแบบหนึ่ง เราสด้างิดวิญญาณไม่ยอมจนโดยเฉพาะเราปฏิบัติยิ่งชัดเกณฑทันทีเรียวกว่าได้พกได้เห็นได้สัมผัสไม่ใช่แบบคิดไม่ใช่คำตอบแบบความคิดประสบการ์มหลงทันทีหลงถอ ก, กายเยอะแยะ เมื่อมีสติไปในกายแล้วยอมเห็นอันอื่นเกิดขึ้นที่กายมากมายนอกจากสติเพราะสติเป็นดวงตาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าทินเจ้าของมีสติเป็นเจ้าของกายดูเหลานี่ไม่มีสติดูการเคลื่อนไหวไปมาให้โอกาส ได้โอกาสถ้าเราหงัดไปมันก็มีโอกาสทุกโอกาสไม่เดืหดร้อนแล้วก็ยิ่งในหลักตดเกณฑ์ได้สัมผัสความหลงเกิดขึ้นก็จะเห็นหน้าตาความหลงสัมผัสกับความรู้ต่างกันอย่างไรความสุขกวงมุขเกิดขึ้นก็จะเห็นควงสุขกวงทุกข์เกิดขึ้น ห้าตากับความรู้ต่างกันยังไงในขณะที่มันผิดมันถูกเกิดขึ้นหมาจาก ก, การกระทำก็จะได้เห็นระหว่างความรู้สึกตัวกับสิ่งที่ผิดที่ถูกเป็นอย่างไรบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่สอสัมผัสกับธรรมอย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจดตังตอบเองเห็นเองรู้เอง เตือนตนเองได้แจ้ไขตนเองได้จึงได้เห็นหลายอย่างที่มันเข้าแถวให้ดูที่เราเรียกว่าภาษาว่าเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างที่แท้ก็คืออาการที่เกิดกับกายกับจิตแต่เรียกมันสมบูรณ์แบบเป็นพิธิ เป็นวิชาการก็เรียกแื่นั้นนี่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเรียกเป็นภาคปฏิบัติเห็นเป็นอาการมันชั่นสั่นมันลักษณะสองอย่างเห็นกับไม่เป็นเท่านั้นเองนี่แต่เห็นไม่ต้องเามารู้จักสูตรรู้จัก ภาษาปฏิบัติหรือว่ารูปนามได้หลักได้ฐานเห็รูปเห็นนามไม่ต้องเรียกหัวฉุขไม่ต้องเรียกหัวทุกข์เรียกว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันมีกายมีใจเป็นวิญญาณธาตุมีธาตุจีคือวิญญาณธาตุ ลู่อะไรได้เมื่อจะเกิดอาการต่างๆขึ้นที่กายที่ใจเห็นกายเห็นใจมันยับแคบเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามมันแตกฉานกว้างใหญ่ไพศาลแต่เห็นเป็นกายเป็นกายถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจมันโจนง่ายมันยับแคบก็เห็นเป็นรูปเป็นนามไม่จนเลยเห็นเป็นอาการของรูปของกาย มันก็ต้องมีแน่นอนมีกายมีเปญญาณธาตุละองฝนก็หนาวแสงแดดก็ร้อนมันมีไม่เป็นอาการไม่ต้องเรียกมันว่าร้อนว่าหนาวก็ได้ไม่ต้องเรียกมั น, ม ว, นว่าสุขว่าทุกข์ก็ได้เป็นอาการธรรมชาติที่มันเกิดกับรูปผมดามถ้ารูปนี้ ที่มีวิญญาณธาตุไม่มีรู้จักร้อนจากหนาวมันก็อันตรายรูปนามนี้มันรู้จักหิวรู้จักเจ็บปวดรู้จักอะไรต่างๆน่าจะขอบคุณมันเป็นอาการที่มันเป็นอย่าง น, านั้นเห็นเป็นอาการอมิไเห็นระบัดเนี่ยเข้าถูภาวะที่เห็น เมื่อมีการเห็นก็ไม่เป็นง่ายไม่เป็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปนามเห็นไม่เป็นไม่ไรแก้ไม่ได้ยากไม่ได้มีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ง่ายๆอย่างนี้หลักสูตรหลักฐานมันบง่งมันบ่งบอก เป็นตัวเฉลยเป็นโจทย์ในตัวจิงใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเกิดขึ้นกับลูกกับนามเป็นตัวเฉลยได้มากที่สุดคือสติสติสองมชันเนเป็นตัวเฉลยไม่จนเลยไม่เหมือนวัตถสุสิ่งของสิ่งของวัตถุจะจน เราจะมีผ้านุ่งผ้าหม่มอาจจะไม่มีข้าวกินได้แต่วัตถุแต่ธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นสติที่เป็นกุศลเกี่ยวกับก่ากับใจไม่มีทางจนไม่มีทางจนเลย มันรอดก็เห็นมันรอดไม่เป็นผู้รอดที่จูกก็หลุดพ้นถ้าเห็นไม่เป็นก็หลุดพ้นกับทุกอย่างที่ก่อนเกิดกับกายกับใจไม่มีอันใดที่จะมีสิ่งที่ข้างค า, งางเป็นการบ้านเป็นที่ทิ้งไว้ไม่มีเลยเห็นไม่เป็นต่อไปก็หลุดพ้นที่จูดคือหลุดพ้น ฝไม้ปลยทางเขื่อนหลุดพ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก่ายกับใจไม่ใช่ปไปยอมได้ไม่ต้องปไปยอมมันถ้าเราไม่ปึกก็อมไว้ความรักอมไว้ความโกรธอมไว้ความทุกข์อมไว้อวมรักความเกลียดชังอมไว้ความเผิดความถูกอมไว้ทุกทีเลยก็เจ็บปวดบางทีก็ เอ้ใจโอ้ใจเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกข์เพจิตเพราะใจใจก็คือความคิดือคิดขึ้นมาเป็นทุกข์คิดขึ้นมาเป็นสุขต้องการหาความสุขจากความคิดต้องการหาความสุขจากกายจากกายอยากได้ความสุขกายก็อยากมีความสุข ก็ร่มเลวที่จึงมันมีแต่อาการที่เหมือนเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนถ้าอาความสุขจากกายเอาความสุขจากใจหรือว่าเป็นตัวเป็นตนพวกนี้ต้องแก่เก็บตายผิดหวังอากายเป็นสุกขอากายมเป็นทุกข์เอาใจมาเป็นสุขเอาจิตใจมาเป็นทุกข์ ผิดพลาดการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ชีวิตเลยาาพับอับจนถึงความเกิดเจ็บเจบตายมีภพมีภูมิมีภ พ, ม, พมีชาติมากมายนรามาเห็นรูปเห็นนามเห็นนาการเกิดดับของรูปของนามตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ในรูปก็มีในานามก็มีเรามีแต่เห็นเมื่อเห็นก็ได้ได้ก่อตั้งชีวิตขึ้นมาได้ชีวิตขึ้นมาในได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเคยโุกก็ไม่เป็นจุกเคยทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่ได้เหนเ็นเป็นชีวิตทิวาขึ้นมา ได้ชีวิตจากที่สิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตรูปนามแลเกิดเจ็บเจ็บตายแต่เราได้กลัวมไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายจากรูปจากนามคือภาวะที่เห็นไม่เป็นนี่ถ้าไม่มีรูปมีนามแล้วก็ไปรูปเรื่องนี้ได้มันมีทุกข์เราจึงมีไม่ทุกข์มีคือตัวปฏิบัติ ตามได้ทุกชีวิตเมื่อแต่มีสติเป็นฐานเป็นที่ตั้งฝึกกรรมาฐานอดลูกลงไว้ลูขึ้นมาหลักตที่ลูก็มีวัตถุที่ลูรูแบบที่ลูวัตถุอุปกรณ์มวช่างมาะิดความลูได้ทุกกรณีทันทีเลื่อนไว้มือ ทิปต่อหายใจเราจะเกิดขึ้นก็าตามลองใช้ให้ไม่เกิดเป็นวัตถุแห่งขวมลูกขึ้นมาเราฝึกหัดเราต้องทําอย่างนี้ทาไม่หัดก็ไม่เป็นจะไปคิดเอาบางทีเรามาหัดให้เคลื่อนไหวมือบางคนก็ไม่เคลื่อนไหวได้ไหมให้ลูกขึ้นชื้ได้ไหม แต่รู้เฉยๆมันได้ไหมลองทำดูบางคนก็บอกว่าต้องหัดจากนี้ตลอดตายเลยมันก็ไม่ใช่ที่จริงมันก็ไม่ตังเคลื่อนไหวก็ได้ถ้าเราหัดเป็นแล้ววันมีภาวาที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรหยุดไห้ปลายทางแต่ยังเป็นอะไรกับอะไรอยู่ต้องหัดทำให ถ้ามันไม่เป็นอะไรกับไหลที่มันเกิดขึ้นปลายใจนั่นแหะจุดหมายปลายทางมันต้องหาตะัยอีกมันต้องหาตะลัยอีกเลยเที่ยเรามันจะตายมันหายเจ็บไม่ได้ไปหาตะลัยแล้ก็มีความไม่ตายไม่ตายพวกความไม่ไม่ตายพวกควา ม, มตา ย, มตายไม่เจ็บพวกความเจ็บมีแต่เห็นไม่เป็นอะไรกับอบรรลัยอยู่แล้วนี่คือ ทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดถ้าจะทําถ้าทาเป็นแล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวมือก็ได้บางคนมาถามเรื่องการเคลื่อนไหวเขาไม่ชอบเขาอยากเคลื่อนไหวอยากลู่ไปเลยนี่ก็ทําได้ก็ทําไปสําหรับเรานี่ต้องสอนแบบนี้เราไม่ทําเราทําแบบแม่นม่ได้เราจะมาหัดเวลามันหลง ให้มันรู้วัตถุที่รู้แม้เอาันอื่นเอาจากกายจากใจในความหลงไม่ความไม่หลงไปเลยน้ําโยกน้าบน่นเราไม่รู้แบบนั้นเราลูบแบบนี้แบบพุทธเจ้าสอนเนี่ยเขื่อนเข้าเหยื่อเขื่นออกเอาตามพระพุทธเจ้าได้ตัดจะรู้เห็นกายเห็นเวชนาเห็นจิตเห็นธรรมนี่ เนลักสูตรไปรจนทั้งหมดที่เหมืาเกิดกับกายกับใจขอตั้งที่ไหนขอตั้งที่ตัวหลงเมื่อหลงเกิดเลยได้หลายอย่างความรู้ขอตั้งในความรู้จึกตัวเกิดกอรทางไปขอรัฐทางไปเร า, าเจึงมาตั้งความรู้จักตัวขึ้นมา เป็นตุ๊ ก, กตาขึ้นมดว่าเราจะสร้างบ้านเขียนตุ๊ ก, กตาขึ้นมาขีดโน่นขีดนี่ไปจาเขียนเป็นเส้นหน้ามือบากาเป็นบ้านหลังใหญ่ก็ได้อันนี้เรามาฝึกหัดมีความรู้จักตัวเนี่ย ถ้าเราไม่ใช่มันก็ไม่ไม่มากไม่พอใช้จึงไอ้ชื่อว่าภาวนาภาวนาขยันลูกภาวนาการขยันลูกให้มันพอใช้ถ้ามันมากถ้าไม่ทำให้มากก็ก็ไม่พอใช้หรือถูกกบเกิอนอย่างอื่น เช่นความหลงจะมากกว่าความรู้สึกตัวเราเกิดมาถึงวันนี้ความรู้สึกตัวกับความหลงอันไหนมันมากกว่ากันเมื่อมีความหลงมากกว่าความรู้สึกตัวมันก็ไม่เป็นธรรมเปนสนทุกเป็นทุกข์อยู่จากนั้น ก็เจรเจ็บตายอยู่นั่นร้อนหลงหลงแล้วหลงอีกความทุกข์ก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกหลอยโลกเออรู้จากตัวเหมือนหลงรู้มันฉุกลูก่มันทุกข์รู้อย่างนี้ถ้าไม่ทําลงนี้ไปไหนได้สู้ไม่แช้กุณเจไม่ไขรไปถึงไหนไม่ได้เลย ถ้าไม่เอาสภาวะเต็มมันเกิดขึ้นมาให้หลงเป็นรูปสุขเป็นรูปทุกข์เป็นรูปเก็บเป็นรูปลอนเป็นรูปหนาวเป็นรูปหิวเป็นรูปไปเรื่อยๆตัวเเอาไปมาตัวรูปภาวะที่ดุเต็ไมไปหมดเลยอยู่ทุกพื้น ท, ท, ที่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยถ้าเราไม่หัดก็ไม่เป็นนะไปท่องจำไม่ได้ เราก็เคยท่องจําตามอุปการะมากสองอย่างสติความเลิกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวจำได้สติควรใช้เวลาไหนสัมปชัญญะควรใช้เวลาไหนสติก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดใช่ก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่ผู้ที่ทําที่คิดนี่เราว่ามีสัมปัญญะ ตอบจากนี้ตอบตามหลักสูตรแต่ว่าภาคปฏิบัติต้องหัดนะก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ําคิดรู้จึกตัวไหมมาชิดไหลรู้จึกตัวไหมพูดไหลรู้จึกตัวไหมสัมปชัญญะจะเลือกได้ไหมออกมาต้องกระท่องแบบนั้นก็เหมือนหลงรู้สึกตัวอันละ รู้สึกขณะที่มันเกิดอะไรขึ้นต้องมีสติเพราะอะไรจึงรู้ได้เพราะเรามีอยู่แล้วมีสติอยู่แล้วมีสอมแจะอยู่แล้วเหมือนกับมีดวงตาอยู่แล้วจึงเชื่อได้ตื่นขึ้นก็เห็นเห็นทางสติมันเป็นเห็นแบบแบบจบ ม่เห็นทางตาเอต่างๆอย่างเล่นไปกายเล่นไปพอใจแล่นไปไม่พอใจถ้าเห็นทางตาไปชอบไปไม่ชอบไปสมมติเป็นบห ญ, ญ็นหยเป็นอุปทานถ้าเห็นทางสติมันจบเรียกว่ารู้แล้วมันหลงรู้รู้แล้วนี่คือหลงไม่เป็นผู้หลง มันจบแค่นั้นนี่คือสติสัมปชัญญะไม่ไม่ใช่การท่องจำเพราะอะไรเราเพราเราหัดมาหัาให้มันเห็นเห็นกายอยู่เป็นประจอาเห็นเวทนาภาษาวิชาก็แบบกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เวทนาก็จักว่าเวทนาไม่ใช่จัตุคุณตัวตนเราเขาจิตก็สััว่าจิตไม่ใช่จัตุคุณตัวตนเราเขาเราไปตัวตนอยู่กับกายจกี่ชาติกูกี่ครั้งอะไรที่เกิดกับกายกูกูเกิดกูสุกกูทุกข์กูร้อนกูหนาวกูเก็บกูปวดกูหิวกูแก่กูชนะ เกิดกับสุขกับทุกข์กูสุกกูทุกขกก์เกิดกับกิจก็เกิดเดืดหล่อย่างแย่กว่ายิ่งมากไปเกือบจะแปซที่เป็นสุกเป็นทุกข์ความคิดต่างท่านที่ไม่มีตัวเมนตนคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ได้เป็นทุกข์ความคิดความคิดก็ดตอดตัวเองให้เจ็บปวดก็ได้มันก็ไปไกล คิดกันมานอมัหลับคิดขึ้นมาเกินเข้าไปลงกระทบกระทืทนไปมากมาเดยก็จักความคิดเราถึงไต่เต้าไปตั้งแต่เห็นกายนีไปหัดกายเมื่อหัดกายก็จะนั่งล่อนขึ้นไปถึงกิดถึงถมเลยง่ายถ้าไปหัดกิดเลยไปห้ามเลย วนไม่มีนั่งลานมันต้องมีวัตถุไปก่อนสอนกายไปก่อนถ้าลูกกายลูกกายเห็นกายจับว่ากายนีะติเห็นกายอยู่เป็นประจำเวลาแต่มาคิดกันมาไม่มีความสำคัญในความคิดกับมาดูกายมันก็ขึ้ง มันก็หลงไปทางความคิดกรู้สึกตัวความคิดที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเวลาไหนไม่ใช่มานั่งคิดเป็นพระเจ้าอาจจะคิดถึงพิมพ์พานั่งอยู่โต้นสีมจจะพร้าวโอจคิดถึงหลาหนุนอาจจะคิดถึงประจษ์สามฤดู๋อ oh. สิท ธ, ธะ อุปรสรรสามด้วยเคยส น, นุกเคยสุขสบายแลลอบล้อมไปด้วยสนมกำนันในทั้งหลายแต่คิดเก่งกว่าเราได้กลับมาสาติกรรมฐานคือกลับมาปฏิบัติคือกลับมากลับมาลู่ที่กายนี่กลับมามันหลงไปกลับมาเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิดนานถ้าไปเล่นกับคิดเลยมันก็ ตัวต่อตั ว, ตวไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัย ม, มีกรรมฐานแล้วมีกรรมฐานนี่เหมือนเต่ากูมีกระ ด, ดองหมดอาวยวะเข้ามารู้จักตัวอะไรก็หมดลงทันทีมันคิดเรื่องใดกลับเมือในเหมือนกลัวกับมานีไ้แต่ความกลัวเกิดจากความคิดกับเมาอนีรู้จักตัวอที่เกิดขึ้นมากิดเลยต้องหาขึ้นกลับมารู้จักตัว จะไปตามมันกลัา ม, มาลุกจักตัวเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติคือกลับมากลับมาลูกจากตัวกลับได้กกับได้ทุกคนเจตนาลุกจกตัวเหมือนดีจริงๆกรรมฐานนี่ยากก็เป็นง่ายถ้ามีกรรมฐานมีที่อาศัยมีนิมิตอย่างนี้ เลยไปเล่นกับจิตได้ง่ายเมื่อเล่นกับจิตได้ง่ายเห็นหลักฐานแต่เนก็ทํทำลายความโล้ของมกดความหลงไปไม่ได้แตะต้องมันเลยมันบดไปเลยไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรมันเห็นตั้งแต่นี้แล้วกระทบประเทือนเห็นรูปเห็นนามเห็นวัตถุอาการเกิดกับกายก็เกิดเห็นสมมติปัญญิที่เป็นหลักฐานเข้าไปฟ้องเข้าไปมัด จำเลยให้เจ้าโจดเราพิพากษาเหมือนเช่นนั่นเป็นโจดเราทุกที่ได้ทุกทุกทีหลงที่ไดหลงทุกทีโกด ท, ที่ได้โกด ท, ทุกทีเป็นโจดเราต้องยอมน เมื่อมาเห็นหลักฐานนั่นเอง แ, แ, แ, แล้วมันก็พ่ายแพ้ได้พ่ายแพ้ได้แล้วมันก็มันไม่มีตัวมีตนจริงๆอาการที่เกิดกับจิตใจแต่มัมมันยิ่งใหญ่จัดยอมมัน ฆ่าตัวตายก็ได้ค่าคนอื่นก็ได้อาการเฉยๆถ้าเรามาเรียกให้มันยิ่งใหญ่ก็มันโกรธต า, ตามความโกรธรอยทั้ง้อยทําชั่วทํางนาำโค้งโค้งโกรธมีตัวมีตนไหมไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยเป็นอาการจิบจ้อยถ้ากรรมาฐานเห็นไม่มีประโยชน์เลยได้ประโยชน์คือมันเห็น เราเรื่องกันเลยเราจึงมาหัดนี่ล่ะถ้าไม่หัดมันไม่เป็นจำเป็นต้องสอนกัอนอย่างนี้ใารจะสอนอย่างอื่นก็สอนได้นั่งอยู่ไม่เป็นอะไรเลยก็ได้ถ้าทำได้ก็ทำไปแต่ที่จุกจุ๋งไ้ปรารคือเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายไ ด, ได้ไม่มีทุกข์กันเลย ไม่มีความเมื่อมือมีทุกข์ความโกรธทุกขหลงหมดปอยถ้าจิตเ่าหนี้ไม่หมดปอป <c oughs> จะเหงะเหินบินฟ้าไปก็ไม่ไม่สําคัญจะเดินอยู่ดินนี้ทํำลายความโลภโกรธหลงเนี่ยให้เป็นมิตรภาพช่วยเหลือกันเดินอยู่บนดินนี้จะช่วยกันช่วยตนมา่าช่วยแม่น้ําช่วยอากาศช่วยผู้ช่วยคนช่วยจิงต่างๆ ที่มันอยู่ในแผ่นดินนี่ให้มันกลัวความเป็นทรรมจะเราจิงที่ในแผ่นด่นนี่รวมเป็นธรรมไม่ต้องห่วไปหนะอยู่ด้วยกันนี่นั่งด้วยกันนี่มีอะไรก็แบ่งปันกันจริงจรี่เห็นกันสุขกันทุกข์ช่วยกันอย่างเนี้ยไม่ใช่แบบเราดีแล้วเห็นกิดเตืนใจคนนั้นคนนี้เราไม่รู้จักช่วยอะไรเลยมีประโยชน์อะไรต้องมาช่วยกันเนี่ยชวยกันมาอยู่นี่อ๋อ เยินว <iği> <laughs> ่าอกระพาะ่อมกัน